ภิกษุนั้นเป็นผู้ครอบเมือมรูปครอบเมื่อเสียงครอบเมื่อกลิ่นครอบเมื่อรสครอบเมภภื่อโผฏฐะครอบเมื่อธรรมารมไม่ถูกกิเลสไร่ไรครอบเมื่อเลยภิกษุพึงเป็นผู้ครอบเมื่อบาปอากุศลธรรมเหล่านั้นซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความเศร้ามองก่อพบใหม่มีความโกรนกระวายมีทุกข์เป็นวิบากเป็นที่ตั้งแห่งชาติชาราและมรณะต่อไปรวมความว่า ภิกษุนั้นเป็นผู้ครอบงำไม่ถูกครอบงำคำว่าธรรมที่เป็นพยานในคำว่าได้เห็นธรรมที่เป็นพยานซึ่งไม่ต้องเชื่อใครอธิบายว่าได้เห็นคือได้แลเห็นได้ได้แทงตลอดธรรมที่ประจักษ์แก่ตนธรรมที่รู้ด้วยตนเองมิใช่โดยอาการเชื่อผู้อื่นว่าธรรมนี้เป็นดังนี้ธรรมนี้เป็นดังนี้มิใช่โดยการเล่าลือ มิใช่โดยการถือสืบสือกันมามิใช่โดยการอ้างตำรามิใช่โดยตักกะมิใช่โดยการอนุมานมิใช่โดยการคิดตรองตามแนวเหตุผลมิใช่เพราะเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิษไว้แล้วรวมความว่าได้เห็นธรรมที่เป็นพยานซึ่งไม่ต้องเชื่อใครคำว่าเพราะฉะนั้นในคำว่าเพราะฉะนั้นในศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นได้แก่ เพราะฉะนั้น <ain> คือเพราะการนั้นเพราะเหตุนั้นเพราะปัจจัยนั้นเพราะต้นเหตุนั้นคาว่าในศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นอธิบายว่าในศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นคือในศาสนาของพระโคดมในศาสนาของพระพุทธเจ้าในศาสนาของพระชินเจ้าในศาสนาของพระตถาคตในศาสนาของพระผู้เป็นดุลเทพ ในศาสนาของพระอรหรันต์รวมความว่าเพราะฉะนั้นในศาสนาของพระผู้มีรพระภาคพระองค์นั้นคำว่าเธอพึงเป็นผู้ไม่ประมาทในคำว่าพึงเป็นผู้ไม่ประมาทนอบน้อมอยู่พึงมั่นศึกษาทุกเมื่อได้แก่พึงเป็นผู้กระทาต่อเนื่องชื่อว่าไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายคำว่าทุกเมื่อได้แก่ทุกเมื่อ คือในการทั้งปวงปัจฉิมวัยคำว่านอบน้อมอยู่ได้แก่นอบน้อมอยู่ยออยคือสั ก, กระเคารพนับถือบูชาย่ำเกรงด้วยกายวาจาใจปฏิบัติเอื้อประโยชน์ปฏิบัติ ร, รมถูกต้องตามหลักธรรมคำว่าพึงหมั่นศึกษาได้แก่ศิขาสามคือหนึ่งอธิศีละศิขา 2. อธิจิตศิขา สามอธิปัญญาสิกขานี้ชื่อว่าอธิปัญญาสิกขาสิกขาสามเหล่านั้นเมื่อพิสูจน์นึกถึงชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อทําให้แจ้งทําที่ควรทําให้แจ้งชื่อว่าพึงศึกษาคือพึงประพฤติเอื้อเฟือ้อประพฤติเอื้อเฟื้อโดยชอบสมาทานประพฤติคําว่าพระผู้มีพระภาคเป็นคํากล่าวโดยความเคารพคําว่าพระผู้มีพระภาคนี้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 นอบน้อมอยู่พึงมันศึกษาทุกเมื่อตัวตัตตะสุตานิเทศที่สิบสี่จบสิบห้าอัตะทันทสุตานิเทศอธิบายอัตะทันทสูตรว่าด้วยความกลัวเกิดจากโทษของตน พระสารีบุตรเทระจะกล่าวอธิบายอัตตะทันทสูตรดังต่อไปนี้หนึ่ง้อยเจ็ดสิบพระผู้มีพระภาคตรัสว่าความกลัวเกิดจากโทษของตนเธอทั้งหลายจงมองดูคนที่มุ่งร้ายกันเราจะกล่าวความสังเวทตามที่เราเคยสังเวทมาแล้วคำว่าโทษในคำว่าความกลัวเกิดจากโทษของตนได้แก่โทษสามอย่างคือ หโทษทางกายสองโทษทางวาจาสาโทษทางใจกายทุจริตสามอย่างชื่อว่าโทษทางกายวจยีทุจริตสีอย่างชื่อว่าโทษทางวาจามโนทุจริตสามอย่างชื่อว่าโทษทางใจคําว่าความกลัวได้แก่ความกลัวสองอย่างคือหนึ่งความกลัวในปัจจุบันสองความกลัวในสัมปรา ย, ยขลับพบ ความกลัวในปัจจุบันเป็นอย่างไรคือคนบางคนในโลกนี้ประพฤติทุจริตทางกายประพฤติทุจริตทางวาจาประพฤติทุจริตทางใจฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์บ้างตัดช่องย่องเบาบ้างขโมยยกเท้าบ้างปล้นบ้านบ้างดักจี้ในทางเปลี่ยวบ้างละเมิดพัญญาของผู้อื่นบ้างผู้เท็จบ้างพวกราชบุรุษ จ, จับบุคคลนั้นได้จึงทูลแสดงแด่พระราชาว่า ขอเดชะผู้นี้เป็นโจรประพฤติ ช, ชั่วขอจงทรงลงอาญาตามที่ทรงพระราชประสงค์แก่บุคคลนี้เถิดพระราชาย่อมทรงบริภาษบุคคลนั้นเพราะการบริภาษเป็นปัจจัยเขาย่อมเกิดความกลัวและเสวยทุกข์และโทมนัสบ้างความกลัวทุกข์และโทมนัสของเขานี้เกิดจากอะไรความกลัวเกิดคือเกิดขึ้นบังเกิดบังเกิดขึ้น ปรากฏจากโทษของตนพระราชาไม่ทรงพอพระทัยแม้เพียงเท่านั้นทรงให้จองจําบุคคลนั้นด้วยเครื่องจองจําคือขือคาบ้างเครื่องจองจําคือเชือกบ้างเครื่องจองจําคือโซ่ตรวนบ้างเครื่องจองจําคือหวายบ้างเครื่องจองจําคือเถาวันบ้างเครื่องจองจําคือคุกบ้างเครื่องจองจําคือเรือนจําบ้างเครื่องจองจําคือหมู่บ้านบ้าง เครื่องจองจำคือนิคมบ้างเครื่องจองจําคือเมืองบ้างเครื่องจองจําคือรัฐบ้างเครื่องจองจําคือชนบทบ้างโดยที่สุดทรงมีพระราชองค์การว่าพวกมันออกไปจากที่นี่ไม่ได้บุคคลนั้นย่อมเสวยทุกข์และโทมนัสเพราะถูกจองจําเป็นปัจจัยบ้างความกลัวทุกข์และโทมนัสของเขานี้เกิดจากอะไรความกลัวเกิด คือเกิดขึ้นบังเกิดบังเกิดขึ้นปรากฏจากโทษของตนพระราชาไม่ทรงพอพระทัยแม้เพียงเท่านี้ทรงให้ปรับทรัพย์ของเขาร้อยบ้างพันบ้างแสนบ้างบุคคลนั้นก็สวยทุกข์และโทมนัสเพราะการหมดเปลืองทรัพย์เป็นปัจจัยความกลัวทุกข์และโทมนัสของเขานี้เกิดมาจากอะไรความกลัวเกิดคือเกิดขึ้นบังเกิ ด, บ, กดบังเกิดขึ้น ปรากฏจากโทษของตนพระราชาไม่ทรงพอพระทัยเพียงเท่านี้ทรงรับสั่งให้จับเขาลงอาญาด้วยประการต่างๆคือให้ขีดด้วยแแจ่บ้างให้ขีนด้วยหวายบ้างให้ตีด้วยไม้พรองบ้างตัดมือบ้างตัดเท้าบ้างตัดทั้งมือและเท้าบ้างตัดใบหูบ้างตัดจมูกบ้างตัดทั้งใบหูและจมูกบ้างวางก้อนเหล็กแดงบนศีรษะบ้าง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 พระราชาทรงเป็นใหญ่ในโทษสี่ชนิดเหล่านี้หลังจากตายแล้วบุคคลนั้นย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกเพราะกรรมของตนพวกนายนิริยบาลก็ลงโทษมีการจองจำห้าอย่างเพื่อจับเขานอนงายแล้วหนึ่งเอาเหลาเหล็กตรึงที่มือขวาสองตรึงที่มือซ้ายสาตรึงที่เท้าขวาสตรึงที่เท้าซ้าย ห้าตรึงที่กลางอกเขาเสวยทุกเวทนาอย่างเผ็ดร้อนในนรกนั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่หมดสิ้นไปความกลัวทุกและโทมนัสของเขานี้เกิดมาจากอะไรความกลัวเกิดคือเกิดขึ้นบังเกิดบังเกิดขึ้นปรากฏจากโทษของตนพวกนายนิเรียบานให้เขานอนลงแล้วถากด้วยพึง่ง เขาเสวยทุกเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่หมดสิ้นไปพวกนายนิรีบาลจับเขาเอาเท้าขึ้นเอาศีรษะลงเอามีดเฉือนจับเขาเทียมรถแล่นกลับไปกลับมาบนพื้นอันร้อนลุกเป็นเปลวโชดช่วงบังคับเขาขึ้นลงภูเขาฐานเพลิงลูกใหญ่ที่ไฟลุกชโชนชดช่วงบ้าง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 ความกลัวทุกข์และโทมนัสของเขานี้เกิดมาจากอะไรความกลัวเกิดคือเกิดขึ้นบังเกิดบังเกิดขึ้นปรากฏจากโทษของตนพวกนายนิเรียบานจึงทุ่มเขาลงในมหานรกก็มหานรกนั้นมีสีม่มุมสี่ประตูแบ่งออกเป็นส่วนมีกำแพงเหล็กล้อมรอบครอบด้วยฝาเหล็กมหานรกนั้นมีพื้นเป็นเหล็กลุกโชนโชดช่วง แผ่ไปไกลด้านละร้อยโยต์ตั้งอยู่ทุกเมือ่อมหานรกอันน่าสยดสยองแผ่เผาสัตว์ให้มีทุกข์ร้ายแรงมีเปลวไฟเข้าใกล้ได้ยากหน้าขนลุกหน้าพรั่นพรึงหน้ากลัวน่าเป็นทุกข์มีกองไฟลุกขึ้นจากผนังด้านตะวันออกแผดเผาสัตว์ผู้มีบาป ก, กรรมไปจดผนังด้านตะวันตกมีกองไฟลุกขึ้นจากผนังด้านตะวันตก ผเผาสัตว์ผู้มีบาปกรรมไปโจดผนังด้านตะวันออกมีกองไฟลุกขึ้นจากด้านเหนือแผเผาสัตว์ผู้มีบาปกรรมไปโจดผนังด้านใต้มีกองไฟลุกขึ้นจากด้านใต้แผเผาสัตว์ผู้มีบาปกรรมไปโจดผนังด้านเหนือกองไฟที่น่าสะเพรึงกลัวผุดขึ้นมาจากเบื้องล่างแผเผาสัตว์ผู้มีบาปกรรมลุกท่วมติดหลังคา กองไฟน่าจะพรึงกลัวลุกขึ้นมาจากหลังคาแผดเผาสัตว์ผู้มีบาปกรรมลามลงกระทบถึงพื้นเอเวจีมหานรกทั้งข้างล่างข้างบนด้านข้างก็เหมือนกับแผ่นเหล็กที่ถูกไฟเผาลนเร่าร้อนช่อช่วงอยู่เสมอสัตว์ทั้งหลายที่หยาบช้ามากทำกรรมร้ายแรงมากเสมอเป็นผู้มีบาปกรรมโดยส่วนเดียวมอดมากอยู่ในเอเวจีมหานรกนั้นแต่ก็ยังไม่ตาย ร่างกายของสัตว์ที่อยู่ในนรกเหล่านั้นเหมือนกับไฟที่ไหม้อยู่ขอเธอจงดูความมั่นคงของกรรมเถิดไม่มีเท่าและขมเาเลยสัตว์นรกทั้งหลายวิ่งไปทางตะวันออกจากตะวันออกนั้นก็วิ่งไปทางตะวันตกวิ่งไปทางเหนือจากทางเหนือนั้นก็วิ่งไปทางด้านใต้วิ่งไปยังทิ่ใดใดประตูนั้นๆก็ปิดเสีย สัตว์เหล่านั้นมีความหวังจะออกไปจึงเที่ยวแสวงหาทางออกอยู่เสมอสัตว์เหล่านั้นไม่สามารถจะออกไปจากมหานรกนั้นเพราะกรรมเป็นปัจจัยเพราะสัตว์เหล่านั้นทำกรรมชั่วร้ายไว้มากยังให้ผลไม่หมดสิน้นความกลัวทุกข์และโทมนัสของเขานี้เกิดมาจากอะไรความกลัวเกิดเพื่อเกิดขึ้นบางเกิดบางเกิดขึ้นปรากฏจากโทษของตน ทุกข์ของสัตว์นรกก็ดีทุกข์ของสัตว์ที่เกิดในกําเนิดเดรฉานก็ดีทุกข์ของสัตว์ที่เกิดในเปต่วิสัยก็ดีทุกข์ของมนุษย์ก็ดีเกิดมาจากอะไรคือเกิดขึ้นมาจากไหนบังเกิดมาจากไหนบังเกิดขึ้นมาจากไหนปรากฏมาจากไหนทุกข์เหล่านั้นเกิดคือเกิดขึ้นบังเกิดบังเกิดขึ้นปรากฏจากโทษของตนรวมความว่า ความกลัวเกิดจากโทษของตนคำว่าคนในคำว่าเธอทั้งหลายจงมองดูคนที่มุ่งร้ายกันได้แก่กษัตรพราหมณ์แพทย์สูตรคระรหัสบัณชิตเทวดาและมนุษย์อธิบายว่าเธอทั้งหลายจงมองดูคือจงแลดูตรวจ ด, ดูเพ่งพินิษพิจารณาดูคนที่มุ่งร้ายกันคือคนที่ทะเลาะกันคนที่ทำร้ายกัน คนที่ทำร้ายตอบกันคนที่คุนเคืองกันคนที่คุนเคืองตอบกันคนที่อาฆาตกันคนที่อาฆาตตอบกันรวมความว่าเธอทั้งหลายจึงมองดูคนที่มุ่งร้ายกันคําว่าเราจะกล่าวความสังเวชอธิบายว่าความสังเวชคือความสะดุ้งความหวาดเสียวความกลัวความบีดคั้นความกระทบความเบียดเบียนความขัดข้อง คำว่าจะ ก, กล่าวได้กแก่จากกล่าวคือจกบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนทำให้ง่ายประกาศรวมความว่าเราจะ ก, กล่าวความสังเวยคำว่าตามที่เราเคยสังเวชมาแล้วอธิบายว่าตามที่เราสังเวยคือสะดุ้งถึงความสังเวชมาแล้วด้วยตนเองแลรวมความว่าตามที่เราเคยสังเวชมาแล้ว ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าความกลัวเกิดจากโทษของตนเธอทั้งหลายจงมองดูคนที่มุ่งร้ายกันเราจะกล่าวความสังเวชตามที่เราเคยสังเวชมาแล้ว171 พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเพราะเห็นหมูสัตว์ผู้ดิ้นรนอยู่เหมือนฝูงปลาในบ่อที่มีน้ำน้อยเพราะเห็นสัตว์ที่ทำร้ายกันและกันภัยจึงปรากฏแก่เราว่าด้วยทุกข์ต่างๆคาว่าหมูสัตว์ในคําว่าเพราะเห็นหมูสัตว์ผู้ดิ้นรนอยู่เป็นคําตรัสเรียกสัตว์อธิบายว่าหมูสัตว์ผู้ดิ้นรนอยู่ คือกระเสือกระสนทุโรนทุรายหวันไหวสันเทากระสับกระส่ายด้วยความดิ้นรนเพราะตันหาดิ้นรนเพราะทิฏฐิดิ้นรนเพราะกิเลสดิ้นรนเพราะทุจริตดิ้นรนเพราะการประกอบดิ้นรนเพราะวิบาก ค, คือผู้กำหนัดก็ดิ้นรนตามอำนาจราคะผู้ขัดเคืองก็ดิ้นรนตามอำนาจโทสะผู้หลงก็ดิ้นรนตามอำนาจโมหะ ผู้ยึดติดก็ดิ้นรนตามอำนาจมานะผู้ยึดถือก็ดิ้นรนตามอำนาจทิฏฐิผู้ฟุ้งซ่านก็ดิ้นรนตามอำนาจอุทจจะผู้ลังเล ก, ก็ดิ้นรนตามอำนาจวิจิกิจฉาผู้ตกอยู่ในพลังกิเลสก็ดิ้นรนตามอำนาจอนุสัยดิ้นรนเพราะลาภความเสื่อมลาภเพราะยศความเสื่อมยศเพราะสรรเสริญเพราะนินทาเพราะสุขเพราะทุกข์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 เพราะทุกเนื่องจากการอยู่ในคันเพราะทุก์เนื่องจากการคลอดจากคันเพราะทุกข์ที่สืบเนื่องจากผู้เกิดเพราะทุกข์ของผู้เกิดที่เนื่องจากผู้อื่นเพราะทุก์ที่เกิดจากความพยายามของตนเองเพราะทุกข์ที่เกิดจากความพยายามของผู้อื่นเพราะทุก์ที่เกิดความทุกข์กายทุกใจเพราะทุก์ที่เกิดจากสังขารเพราะทุกข์ที่เกิดจากความแปรผัน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 จุกเศษอหิวาตกรโรคโรคเรื้อนสีกลากมองคร่อลมบ้าหมูหิดเปื่อยหิดด้านหิดผูดโรคละลอกโรคดีซ้านโรคเบาหวานโรคเริมโรคพุพองโรคฤาษีดวงทวารความเจ็บป่วยที่เกิดจากดีความเจ็บป่วยที่เกิดจากเสมหะความเจ็บป่วยที่เกิด จ, จ, จากลมไข้สันนิบาด ความเจ็บป่วยที่เกิดจากการเปลี่นฤดูกาลความเจ็บปวยที่เกิดจากการผลัดเปลี่ยนอิรยาบทไม่ได้ส่วนกันความเจ็บปวยที่เกิดจากความภาคเพียงเกินกำลังความเจ็บป่วยที่เกิดจากผลกรรมความหนาวความร้อนความหิวความกระหายโปวดอุจจาระปรดปัสสาวะดิ้นรนเพราะทุกข์ที่เกิดจากสัมผัสแ่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลาน ทุกพระมารดาตายทุกพระบิดาตายทุกพระพี่ชายน้องชายตายทุกพระพี่สาวน้องสาวตายทุกพระบุตรตายทุกพระธิดาตายความพินาศองญาติโภคกรัตริย์พินาศความเสียหายที่เกิดจากโรคศีลลวิบัติทิฏฐิวิบัติคำว่าเพราะเห็นได้แก่เพราะเห็นคือเพราะมองเห็นเทียบเคียงพิจรารณาทำให้กระจาย ทำให้แจ่มแจ้งรวมความว่าเพราะเห็นหมู่สัตว์ผู้ดิ้นรนอยู่คําว่าเหมือนฝูงปลาในบ่อที่มีน้ําน้อยอธิบายว่าหมูสัตว์ดิ้นรนคือกระเสือกกระสนทุรนทุรายวันไหวสันเทากระสับกระส่ายด้วยความดิ้นรนเพราะตันหาทิชิวิบัติเหมือนฝูงปลาอยู่ในน้ําน้อยคือมีน้ํานิดหน่อยน้ําแห้งไป ถูกกานกตะกรุมหรือนกยางโฉบลากขึ้นมาแทะกินก็ดิ้นรนคือกระเสือกกระสนทุรนทุรายวันไหวสั่นเทาประสับประสายอยู่ฉะนั้นรวมความว่าเหมือนฝูงปลาในบ่อที่มีน้ําน้อยคําว่าสัตว์ที่ทําร้ายกันละกันอธิบายว่าสัตว์ทั้งหลายทําร้ายทําร้ายตอบเครืองเครืองตอบ บองร้ายปองร้ายตอบกันลกันคือพระราชาทรงวิวาทกับพระราชาก็ได้ประศัตริย์วิวาทกับประศัตรก็ได้พราหมณ์วิวาสกับพราหมณ์ก็ได้พระบดีวิวาทกับพระบดีก็ได้มารดาวิวาทกับบุตรก็ได้บุตรวิวาสกับมารดาก็ได้บิดาวิวาสกับบุตรก็ได้บุตรวิวาทกับบิดาก็ได้พี่ชายน้องชายวิวาสกับพี่ชายน้องชายก็ได้ พี่สาวน้องสาววิวาสกับพี่สาวน้องสาวก็ได้พี่ชายน้องชายวิวาสกับพี่สาวน้องสาวก็ได้พี่สาวน้องสาววิวาสกับพี่ชายน้องชายก็ได้สหายวิวาทกับสหายก็ได้ชนเหล่านั้นถึงการทะเลาะแย่งแย้งและวิวาทกันในการทำร้ายกันละกันนั้นก็ทำร้ายกันละกันด้วยฝ่ามือบ้างด้วยก้อนดินบ้างด้วยท่อนไม้บ้างด้วยศาสตราบ้าง เพราะทำร้ายกันนั้นชนเหล่านั้นก็เข้าถึงความตายบ้างทุกปางตายบ้างรวมความว่าสัตว์ที่ทำร้ายกันและกันคำว่าความเห็นในคําว่าเพราะเห็นภัยจึงปรากฏแก่เราอธิบายว่าเพราะเห็นคือเพราะมองเห็นเรียบเคียงพิจารณาทําให้กระจ่างทําให้แจ่มแจ้งภัยคือความบีบคั้นความกระทบกระแท้ง อันตรายอุปสรรคจึงปรากฏรวมความว่าเพราะเห็นไัยจึงปรากฏแก่เราด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเพราะเห็นหมู่สัตว์ผู้ดิ้นรนอยู่เหมือนฝูงปลาในบ่อ ท, ที่มีน้ําน้อยเพราะเห็นสัตว์ที่ทําร้ายกันแล้กันไัยจึงปรากฏแก่เราหนึเจ็สองพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโลกทั้งหมดไม่มีแก่นสาร สังขารทั้งหลายทุกทิศก็วันไหวเราเมื่อต้องการพบสำหรับตนก็มองไม่เห็นฐานะอะไรที่ไม่ถูกครอบงำว่าด้วยโลกคำว่าโลกทั้งหมดไม่มีแกนสารอธิบายว่าโลกนรกโลกในกําเนิดเดราชานโลกในเปตะวิสัยมนุษยโลกเทวโลกขันธโลกธาตุโลกอายตนะโลกโลกนี้โลกหน้า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 โดยความเป็นของยั่งยืนโดยความเป็นของมั่นคงหรือโดยความเป็นของไม่แปรผันไปเป็นธรรมดาโลกในกำเนิดเดราชานโลกในเปตาวิสัยมนุษย์โลกเทวโลกขันธโลกธาตุโลกอายตนะโลกโลกนี้โลกหน้าพรมโลกเทวโลกไม่มีแก่นสารคือไร้แก่นสารปราชจากแก่นสาร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 ไม้มาเดือไม้ทองหลางไม้หงอนไก่ฟองน้ำตอมน้ำพยับแดดต้นกล้วยเงาไม่มีแก่นไร้แก่นปราศจากแก่นฉันใดโลกนรกไม่มีแก่นสารคือไนนร้แก่นสารปราศจากแก่นสารโดยสาระแห่งแก่นสารที่เป็นของเที่ยงโดยสาระแห่งแก่นสารที่เป็นสุขโดยสาระแห่งแก่นสารที่เป็นตัวตนโดยความเป็นของเที่ยง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 โดยความเป็นของยั่งยืนโดยความเป็นของมั่นคงหรือโดยความเป็นของไม่แปรผันไปเป็นธรรมดารวมความว่าโลกทั้งหมดไม่มีแกนสารว่าด้วยสังขารไม่เที่ยงคำว่าสังขารทั้งหลายทุกทิศกว็วันไหวอธิบายว่าสังขารทางที่ตะวันออกครอนแคลนวันไหวคือสะเทือนสถ้านเพราะเป็นธรรมชาติไม่เที่ยง จึงถูกชาติติดตามถูกชราแพ่คลุมถูกพญาธิครอบงำถูกมรณะกำจัดตั้งอยู่ในคลองทุกข์ไม่มีที่ต้านทานไม่มีที่ปกป้องไม่มีที่พึ่งเป็นสิ่งหาที่พึ่งไม่ได้สังขารทางทิศตะวันตกสังขารทางทิศเหนือสังขารทางทิศใต้สังขารทางทิศอาคเนย์สังขารทางทิศพายัพสังขารทางทิศอีสานสังขารทางทิศทอรดี สังขารทั้งทิศเบื้องต่ำสังขารทั้งทิศเบื้องสูงสังขารในทั้งสิบทิศ่าคลอนแคลนวันไหวคือสะเทือนสถทานเพราะเป็นธรรมชาติไม่เที่ยงจึงถูกชาติติดตามถูกชาราแผ่คลุมถูกพยาธิครอบงำถูกมรณะกำจัดตั้งอยู่ในกองทุกข์ไม่มีที่ต้านทานไม่มีที่ปกป้องไม่มีที่พึ่งเป็นสิ่งหาที่พึ่งไม่ได้ สมจริงดังพาสิทินี้ว่าถึงวิมานนี้สว่างรุ่งเรืองอยู่ในทิศอุดรก็จริงแต่บัณฑิตก็ยังมองเห็นโทษในรูปแล้วหวันไหวทุกเมื่อฉะนั้นผู้มีปัญญาจึงหายินดีในรูปไห่โลกถูกมรณะกำจัดถูกชะาห้อมล้อมถูกลูกสอนคือตันหาแทงติดคุเป็นควันเพราะความปรารถนาอยู่ทุกเมื่อโลกทั้งปวงถูกไฟไหม้ลุกโคง ชดช่วงวันไหวแล้วรวมความว่าสังขารทั้งหลายทุกทิศก็วันไหวคําว่าเราเมื่อต้องการพบสำหรับตนอธิบายว่าเมื่อต้องการคือยินดีปรารถนามุ่งหมายมุ่งหวังพบคือที่ต้านทานที่ปกป้องที่พึ่งที่ดำเนินไปที่ไปสู่จุดหมายสำหรับตนรวมความว่าเราเมื่อต้องการพบสำหรับตน คำว่าก็มองไม่เห็นฐานะอะไรที่ไม่ถูกครอบงำอธิบายว่ามองเห็นแต่ฐานะที่ถูกครอบงำเท่านั้นได้เห็นแต่ฐานะที่ถูกครอบงำเพื่อความเป็นหนุ่มสาวทั้งปวงถูกชาราครอบงำความไม่มีโรคทั้งปวงถูกพญาธิครอบงำชีวิตทั้งปวงถูกมรณะครอบงำลาบทั้งปวงถูกความเสื่อมลาบครอบงำ ยศทั้งปวงถูกความเสื่อมยศครอบงำความสันเสริญทั้งปวงถูกการนินทาครอบงำความสุขทั้งปวงถูกความทุกครอบงำลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศนินทาสันเสริญสุขและทุกข์ทำเหล่านี้ในหมู่มนุษย์ล้วนไม่เที่ยงไม่มั่นคงมีความแปรผันไปเป็นธรรมดารวมความว่าก็มองไม่เห็นฐานะอะไรที่ไม่ถูกครอบงำ โดยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าโลกทั้งหมดไม่มีแก่นสารสังขารทั้งหลายทุกทิศ ก, ก็วันไหวเราเมื่อต้องการพบสำหรับตนก็มองไม่เห็นฐานะอะไรที่ไม่ถูกครอบงำหนึ่งร้อยเจ็สิบสามพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเพราะเห็นสัตว์มีที่สิ้นสุดและถูกสกัดกั้นความไม่ยินดีจึงมีแก่เรา อันหนึ่งเราได้เห็นลูกสอนที่เห็นได้ยากอันอาศัยหะไทยในสัตว์เหล่านี้แล้วคาว่ามีที่สิ้นสุดในคําว่าสัตว์มีที่สิ้นสุดและถูกสกัดกัน้นอธิบายว่าชราทำให้ความเป็นหนุ่มสาวทั้งปวงหมดสิ้นไปพญาธิทำให้ความไม่มีโรคทั้งปวงหมดสิ้นไปมรณะทาให้ชีวิตทั้งปวงหมดสิ้นไปความเสื่อมลาบทำให้ลาบทั้งปวงหมดสิ้นไป ความเสื่อมยศทําให้ยศทั้งปวงหมดสิ้นไปการนินทาทําให้ความสรรเสริญทั้งปวงหมดสิ้นไปความทุกข์ทําให้ความสุขทั้งปวงหมดสิ้นไปรวมความว่ามีที่สิ้นสุดคําว่าและถูกสกัดกัน้นอธิบายว่าสัตว์ทั้งหลายผู้ปรารถนาความเป็นหนุ่มสาวถูกชราขัดขวางผู้ต้องการความไม่มีโรคถูกพญาที่ขัดขวางผู้ปรารถนาเพื่อมีชีวิตอยู่ ถูกมรณะขัดขวางผู้ปรารถนาลาบถูกความเสื่อมลาบขัดขวางผู้ปรารถนายศถูกความเสื่อมยศขัดขวางผู้ปรารถนาความสรรเสริญถูกการนินทาขัดขวางผู้ปรารถนาความสุขถูกความทุกข์สกัดกั้นคือขัดขวางกระทบกระทบกระทั่งทําลายล้างผลานรวมความว่าสัตว์มีที่สิ้นสุดและถูกสกัดกั้น คำว่าเพราะเห็นในคำว่าเพราะเห็นความไม่ยินดีจึงมีแค่เราได้แก่เพราะเห็นคือเพราะมองเห็นเทียบเคียงพิจารณาทำให้กระจางทำให้แจ่มแจ้งรวมความว่าเพราะเห็นคำว่าความไม่ยินดีจึงมีแค่เราได้แก่ความไม่ยินดีคือความไม่ใยดีความระอาความเบื่อความหน่ายได้มีแล้ว รวมความว่าเพราะเห็นความไม่ยินดีจึงมีแก่เราคำว่าอันหนึ่งในคำว่าอันหนึ่งเราได้เห็นลูกศรในสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้แล้วเป็นคำเชื่อมบทคำว่าอันหนึ่งนี้เป็นคำเชื่อมบทหน้ากับบทหลังเข้าด้วยกันคำว่าในเหล่านี้ได้แก่ในสัตว์ทั้งหลายคำว่าลูกศรได้แก่ลูกศรเจ็ชนิดคือ 1>, 1ลูกศรคือราคะสองลูกศรคือโทสะสมลูกศรคือโมหะสี่ลูกศรคือมานะหลูกศรคือทิฏฐิหลูกศรคือโสกะเจลูกศรคือความสงสัยคำว่าได้เห็นได้แก่ได้เห็นคือได้มองเห็นได้แลเห็นได้แทงตลอดรวมความว่า อันหนึ่งเราได้เห็นลูกสรในสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้แล้วคาว่าที่เห็นได้ยากในคำว่าที่เห็นได้ยากอันอาศัยหะไทยได้แก่เห็นได้ยากคือมองเห็นได้ยากแลเห็นได้ยากรู้ได้ยากตามรู้ได้ยากแทงตลอดได้ยากรวมความว่าที่เห็นได้ยากคำว่าอันอาศัยหะไทยอธิบายว่าจิตตรัสเรียกว่าหะไทย ได้แก่จิตมโนมานัตหะทยัยปัญธระมณนะมานายตนะมนินทร์วิญญาณวิญญาณขันมโนวิญญาณธาตุที่เกิดจากวิญญาณขันนั้นคําว่าอันอาศัยหะทยัยอธิบายว่าอันอาศัยหะทยัยคืออันอาศัยจิตอาศัยอยู่ในจิตไปร่วมกันเกิดร่วมกันเกี่ยวข้องกัน ประกอบร่วมกันเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันมีวัตถุเดียวกันมีอารมณ์เดียวกับจิตรวมความว่าที่เห็นได้ยากอันอาศัยหะไทยด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเพราะเห็นสัตว์มีที่สิ้นสุดและถูกสกัดกัน้นความไม่ยินดีจึงมีแก่เราอันหนึ่งเราได้เห็นลูกศรที่เห็นได้ยากอันอาศัยหไทยในสัตว์เหล่านี้แล้ว สีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสัตว์ถูกลูกศรใดปักติดแล้ววิ่งพลานไปทุกทิศทางเพราะถอนลูกศรนั้นได้แล้วจึงไม่ต้องวิ่งพลานไม่ต้องล่มจมว่าด้วยลูกศรเจ็ดชนิดคำว่าสัตว์ถูกลูกศรใดปักติดแล้ววิ่งพลานไปทุกทิศทางอธิบายว่าคำว่าลูกศรได้แก่ลูกศรเจ็ดชนิด คือหนึ่งลูกศรคือราคะสองลูกศรคือโทสะสามลูกศรคือโมหะสี่ลูกศรคือมานะห้าลูกศรคือทิฐิหลูกศรคือโสกะเจ็ดลูกศรคือความสงสัยลูกศรคือราคะเป็นอย่างไรคือความกำหนัดความกำหนัดนักความคล้อยตามอารมณ์ความยินดีความเพลิดเพลิน ความกำหนัดด้วยความเพลิดเพลินความกำหนัดนักแห่งจิตอภิชาอากุศลมูลคือโลภะน้ชื่อว่าลูกสอนคือราคะลูกสอนคือโทสะเป็นอย่างไรคือความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราผู้นี้กำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราผู้นี้จะทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราความดุร้าย ความปลูกน้ำตาเพราะเพาะวาจาชั่วความไม่เบิกบานแห่งจิตนี้ชื่อว่าลูกสอนคือโทสะลูกสอนคือโมหะเป็นอย่างไรคือความไม่รู้ในทุกความไม่รู้ในทุกขนิโรธาคาม่นีปฏิปทาความไม่รู้ในส่วนเบื้องต้นความไม่รู้ในส่วนเบื้องปลายความไม่รู้ทั้งในส่วนเบื้องต้นและส่วนเบื้องปลายความไม่รู้ในธรรมทั้งหลายที่อาศัยกันเกิดขึ้น คือความที่ปฏิจจสมุปบาทมีอวิชานี้เป็นปัจจัยความไม่เห็นไม่ตรัสรู้ไม่ตรัสรู้ตามไม่ตรัสรู้ชอบไม่แทงตลอดไม่ถือเหตุด้วยดีไม่อย่างลงถึงเหตุไม่เพ่งพินิษ์ไม่พิจารณาไม่ทำให้ประจักษ์ไม่ผ่องแพ้วความเป็นคนโง่ความหลงลุ่มหลงหลงไหลอวิชชาโอคะคืออวิชชา โยคะคืออวิชชาอนุสัยคืออวิชชาปริจุดฐานคืออวิชชาลิมคืออวิชชาอกุศลมูลคือโมหะเห็นปานนี้นี้ชื่อว่าลูกศรนคือโมหะลูกศรคือมานะเป็นอย่างไรคือความถือตัวว่าเราเลิศกว่าเขาความถือตัวว่าเราเสมอเขาความถือตัวว่าเราด้อยกว่าเขาความถือตัว ที่ริยาที่ถือตัวภาวะที่ถือตัวความลำพองตนความถนงตนความเชื่อชูตนเป็นดุจธงความเห่อเหิมความที่จิตต้องการเชื่อชูตนเป็นดุจธงเห็นปานนี้นี้ชื่อว่าลูกสอนคือมานะลูกสอนคือทิฏฐิเป็นอย่างไรคือสักกายทิฏฐิมีวัตถุยี่สิบมิชาทิฏฐิมีวัตถุสิอันตคาหิกระทิฏฐิมีวัตถุสิบ ทิฏฐิการตกอยู่ในทิฏฐิความรกชัดคือทิฏฐิความกันดานคือทิฏฐิเสี่ยนน้ําคือทิฏฐิความดิ้นรนคือทิฏฐิเครื่องผูกพันคือทิฏฐิความถือความถือมั่นความยึดมั่นความยึดมั่นถือมั่นทางชั่วทางผิดภาวะที่ผิดลัทธิเดรถีความถือขัดแย้งความถือวิปริตความถือวิปรราชความถือผิด ความถือในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงว่าเป็นจริงเห็นปานนี้จนถึงทิฏฐิหกิสองนี้ชื่อว่าลูกศรนคือทิฏฐิลูกศอนคือโศกะเป็นอย่างไรคือความเศร้าโศกจิริยาที่เศร้าโศกภาวะที่เศร้าโศกความเศร้าโศกภายในความเศร้าโศกมากภายในความเร่าร้อนภายในความเร่าร้อนมากภายในความหมุนไหมแห่งจิต ความทุกข์ใจของผู้ถูกความเสียหายของญาติกระทบบ้างถูกความเสียหายแห่งโภกกระชับกระทบบ้างถูกความเสียหายแห่งโรคกระทบบ้างถูกศีลวิบัติกระทบบ้างถูกทิฏฐิวิบัติกระทบบ้างประจกกับความเสียหายอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วบ้างถูกเคแทงทุกอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วกระทบบ้างนี้ชื่อว่าลูกสรคือโสกะ ลูกศอนคือความสงสัยเป็นอย่างไรคือความสงสัยในทุกข์ความสงสัยในเหตุเกิดแห่งทุกขความสงสัยในความดับทุกขความสงสัยในปฏิปทาเครื่องดําเนินไปสู่ความดับทุกขความสงสัยในส่วนเบื้องต้นความสงสัยในส่วนเบื้องปลายความสงสัยทั้งในส่วนเบื้องต้นและส่วนเบื้องปลายความสงสัยในธรรมที่อาศัยตนเกิดขึ้น คือความที่ปฏิจจสมุปบาทมีอวิชานี้เป็นปัจจัยความสงสัยกิริยาที่สงสัยภาวะที่สงสัยความเคลือบแคลงความลังเลความเห็นเป็นสองฝ่ายสองทางความไม่แน่ใจความยึดถือหลายอย่างความไม่ตกลงใจความตัดสินใจไม่ได้ความกาหนดถือไม่ได้ความหวาดหวั่นแห่งจิตความติดขัดในใจเห็นปานนี้น้ชื่อว่า ลูกศรคือความสงสัยว่าด้วยภาวะของสัตว์ที่ถูกลูกศรแทงคำว่าสัตว์ถูกลูกศรใดปักติดแล้ววิ่งพล่านไปทุกทิศทางอธิบายว่าสัตว์ถูกลูกศรคือราคะปักติดคือเสียแทงถูกต้องเสียบติดแน่นคาค้างอยู่ก็ประพฤติทุจริตทางกายประพฤติทุจริตทางวาจาประพฤติทุจริตทางใจ ข้าตั์บ้างลักทรัพย์บ้างตัดช่องย่องเบาบ้างขโมยยกเข้าบ้างปล้นบ้านบ้างดักจี้ในทางเปลวบ้างและเมื่อพัญญาของผู้อื่นบ้างพูดเท็จบ้างสัตว์ถูกลูกสรคือราคะบักติดคือเจ็บแทงถูกต้องเสียบติดแน่นคาค้างอยู่ก็แล่นไปวิ่งพลานคือลนลานท่องเที่ยวไปอย่างนี้บ้างอีกนหนึ่ง สัตว์ถูกลูกสอนคือราคาปักติดคือเสียบแขงถูกต้องเสียบติดแน่นคาค้างอยู่เมื่อจะแสแวงหาโภกทรัพย์ก็แล่นเรือออกไปสู่มหาสมุทรฝ่าหนาวฝ่าร้อนถูกสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานเบียดเบียนเอาบ้างถูกความหิวกระหายกดดันอยู่ก็ต้องเดินทางไปคุมภรัตต ก, กะโกละรัตต ก, กะสิละรัตกาลมุขรัต ภูรัตเวสุนกรัฐเวราปถรัฐชวารัตตามลิรัฐวังครัฐเอละพันธนรัฐสุวรรณกูตรัฐสุวรรณภูมิรัตตัมพระปานิรัฐสุปารกรัตเทรุกัจชรัฐสุรัฐรัฐพังคโลกรัฐพังขณรัฐปรมพังขณรัฐโยนรัฐปีนะรัฐ วิน ก, กรารัตมูลปทารัตเดินทางไปยังทะเลทรายที่ต้องหมายด้วยดาวคลานไปด้วยเขา่าเดินทางด้วยแพเดินทางด้วยแกะไปด้วยการตอกหลักผูกเชือกโขนไปไปด้วยร่มเดินทางด้วยการตัดไม้ไผ่ทําพ อ, องสําหรับปีนเดินทางอย่างนกเดินทางอย่างหนูไปตามซอกเขาไต่ไปตามลำหาหย เมื่อแสวงหาไม่ได้ก็ต้องเสวยทุกข์และโทมนัสที่มีการไม่ได้เป็นต้นเหตุเขาเมื่อแสวงหาได้มาและครั้นได้แล้วก็ยังต้องเสวยทุกข์และโทมนัสที่มีการต้องรักษาเป็นมูลเหตุบ้างด้วยความหวัดนวันว่าอย่างไรหนอพระราชาจะไม่พึงริบโคกรัพย์ของเราโจรจะไม่พึงปล้นไฟจะไม่พึงไหม้น้าจะไม่พึงพัดพาไป ทายาทที่ไม่เป็นที่รักจะไม่พึงรักเอาไปเมื่อรักษาคุ้มครองอยู่อย่างนี้โภคทรัพย์ย่อมเสื่อมค่าลงเขาก็ต้องเสวยทุกข์และโทมนัสที่มีความพระพรากเป็นมูลสัตว์ถูกลูกสอนคือราคะปักติดคือเสียบแทงถูกต้องเสียบติดแน่นคาค้างอยู่ก็เล่นไปวิ่งพล้านคือลนลานท่องเที่ยวไปอย่างนี้บ้าง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 และเมื่อพัญญาของผู้อื่นบ้างผู้เท็จบ้างจะถูกลูกสอนคอมานะปักติดคือเสียบแทงถูกต้องเสียบติดแน่นคาค้างอยู่ก็เล่นไปวิ่งพลานคือหล่นลานท่องเที่ยวไปอย่างนี้บ้างจะถูกลูกสรเคอทิฐิปักติดคือเสียบแทงถูกต้องเสียบติดแน่นคาค้างอยู่ก็ประพฤติเปลือยกายไม่มีมารยาทเลียมือ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 ไม่รับอาหารของหญิงมีคันไม่รับอาหารของหญิงผู้กำลังให้บุตรดื่มนมไม่รับอาหารของหญิงที่คลอเคลียชายไม่รับอาหารที่นัดแนะกันทำไว้ไม่รับอาหารในที่เลี้ยงสุนัขไม่รับอาหารในที่มีแมลงวันไต่ตอมอยู่เป็นกลุ่มๆไม่กินปลาไม่กินเนื้อไม่ดื่มสุราไม่ดื่มเมรัยไม่ดื่มยาดองรับอาหารในเรือนหลังเดียว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 สั์ถูกลูกศรคือทิฐิปักติดคือเสียบแทงถูกต้องเสียบติดแน่นคาค้างอยู่ก็เล่นไปวิ่งพลานคือลอนลานท่องเที่ยวไปอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งสั์ถูกลูกศอนคือทิฐิปักติดคือเสียบแทงถูกต้องเสียบติดแน่นคาค้างอยู่ก็กินผักดองเป็นอาหารกรินข้าวฟ่างเป็นอาหารกรินลูกเดือยเป็นอาหาร กินก่าข้าวเป็นอาหารกินสาหร่ายเป็นอาหารกินรำเป็นอาหารกินข้าวตังเป็นอาหารกินกํายานเป็นอาหารกินงาเป็นอาหารกินหญ้าเป็นอาหารกินโคไม่โูลโคเป็นอาหารกินเหง้าและผลไม้ในป่าเป็นอาหารบริโภคผลไม้หล่นอย่างชีพเขานุ่งห่มผ้าป่านนุ่งห่มผ้าแกมกันนุ่งห่มผ้าห่อศพ นูห่มผ้าบางสกุลนุ่งห่มผ้าเปลือกไม้นุ่งห่มหนังเสือนุ่งห่มหนังเสือมีเล็บนุห่มผ้าคากรองนู่งห่มผ้าเปลือกปอกรองนุ่งห่มผ้าผลไม้กรองนุ่งห่มผ้ากรำพลผมมนุษย์นุ่งห่มผ้ากรำพลขนปีกนกเขาถอนผมเล่นหนวดคือถือการถอนผมเล่นหนวดยืนอย่างเดียวไม่ยอมนั่งเดินกระยง คือถือการเดินกระย่งนอนบนน้ำสำเร็จการนอนบนน้ำนอนบนแผ่นกระดานนอนบนเนินดินนอนตะแคงแข้ ง, ขงเดียวเอาฝุ่นคลุกตัวอยู่กลางแจ้งนั่งบนอาสนะตามที่ปูวไว้บริโภคคูดคือถือการบริโภคคูดไม่ดื่มน้ำเย็นคือถือการไม่ดื่มน้ำเย็นอาบน้ำวันละสามครั้งคือถือการลงอาบน้า ถือการทำให้กายเดือดร้อนเล่าร้อนหลากหลายชนิดเห็นปานนี้ด้วยประการอย่างนี้บ้างสัตว์ผู้ถูกลูกสอนคือทิฐิปากติดคือเสียบแทงถูกต้องเสียบติดแน่นคาค้างอยู่ก็เล่นไปวิ่งพลานคือลนลานท่องเที่ยวไปอย่างนี้บ้างสัตว์ผู้ถูกลูกสอนคือโสกระปากติดคือเสียบแทงถูกต้องเสียบติดแน่น คาค้างอยู่ก็ย่อมโศกเหนื่อยหน่ายเครื่โครนูนตี อ, อกพร่มเพอ้อถึงความหลงไหลสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพรามเรื่องเคยมีมาแล้วในเมืองสาวัตถีนี้เองมารดาของหญิงบางคนตายหญิงนั้นเพราะมารดาตายจึงเป็นบ้ามีใจฟุ้งซ่านจากถนนนี้เข้าไปสู่ถนนโน น, นจากตรอกนี้เข้าไปสู่ตรอกโน น, น, น พูดอย่างนี้ว่าพวกท่านเห็นมารดาของฉันบ้างไหมพวกท่านเห็นมารดาของฉันบ้างไหมพรามเรื่องเคยมีมาแล้วในเมืองสาวัตถีนี่เองบิดาของหญิงบางคนตายแล้วพี่ชายน้องชายตายแล้วพี่สาวน้องสาวตายแล้วบุตรตายแล้วที่ดาตายแล้วสามีตายแล้วหญิงนั้นเพราะสามีนั้นตายแล้วจึงเป็นบ้ามีใจฟุ้งซ่าน จากถนนนี้เข้าไปสู่ถน น, นโนนจากตรอกนี้เข้าไปสู่ตรอกนโนนพูดอย่างนี้ว่าพวกท่านเห็นสามีของฉันบ้างไหมพวกท่านเห็นสามีของฉันบ้างไหมพรามเรื่องเคยมีมาแล้วในเมืองสาวัตถีนี้เองมารดาของชายบางคนตายแล้วชายผู้นั้นเพราะมารดา น, นั้นตายแล้วจึงเป็นบ้ามีใจฟุ้งซ่านจากถนนนี้เข้าไปสู่ถนนโนน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 ชายผู้นั้นเพราะพัญญานั้นตายแล้วจึงเป็นบ้ามีใจฟุ้งซ่านจากถนนนี้เข้าไปสู่ถนนโนนจากตรอกนี้เข้าไปสู่ตรอกโนนพูดอย่างนี้ว่าพวกท่านเห็นพัญญาของฉันบ้างไหมพวกท่านเห็นพัญญาของฉันบ้างไหมพรามเรื่องเคยมีมาแล้วในเมืองสาวัตถีนี่เองหญิงบางคนไปสู่ตระกูลของญาติพวกญาติของนางต้องการพราาามีเสีย แล้วยกหญิงนั้นให้แก่บุรุษอื่นแต่นางไม่อยากได้บุรุษนั้นลำดับนั้นหญิงนั้นจึงได้พูดกับสามีดังนี้ว่านายจา๋าพวกญาติเหล่านี้ต้องการจะพรากฉันจากท่านแล้วยกให้แก่ชายอื่นเราทั้งสองจกตายด้วยกันทันใดนั้นชายผู้นั้นจึงฟันหญิงนั้นขาดเป็นสองท่อนแล้วฆ่าตนเองด้วยหวังว่าเราทั้งสองละโลกนี้แล้วจะไปอยู่ร่วมกัน สัตว์ผู้ถูกลูกศอนคือโสกกะปักติดคือเสียบแทงถูกต้องเสียบติดแน่นคาค้างอยู่ก็เล่นไปวิ่งพลาดคือลนลานท่องเที่ยวไปอย่างนี้บ้างสัตว์ผู้ถูกลูกศรคือความสงสัยปักติดคือเสียบแทงถูกต้องเสียบติดแน่นคาค้างอยู่ก็เล่นไปสู่ความสงสัยเล่นไปสู่ความแคลงใจสองจิตสงใจว่า ในอดีตการยาวนานเราได้มีแล้วหรือมิได้มีแล้วหนอเราได้เป็นอะไรมาหนอเราได้เป็นอย่างไรมาหนอเราได้เป็นอะไรแล้วมาเป็นอะไรหนอในอนาคตการยาวนานเราจกมีหรือจกไม่มีหนอเราจกเป็นอะไรหนอเราจะเป็นอย่างไรหนอจักเป็นอะไรแล้วไปเป็นอะไรหนอหรือในปัจจุบันในบัดนี้ก็มีความสงสัยอยู่ภายในว่า เราเป็นอยู่หรือไม่นอเราเป็นอะไรนอเราเป็นอย่างไรนอสัตว์นี้มาจากไหนหนอเขาจะไปไหนกันหนอสัตว์ผู้ถูกลูกศรคือความสงสัยปักติดคือเสียบแทงถูกต้องเสียบติดแน่นคาค้างอยู่ก็แล่นไปวิ่งพล่านคือลนลานท่องเที่ยวไปอย่างนี้บ้างสัตว์ปรุงแต่งลูกศอนเหล่านั้นที่เกิดขึ้น เมื่อปรุงแต่งลูกศรเหล่านั้นให้เกิดขึ้นก็วิ่งพล่านไปทางทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ด้วยอำนาจการปรุงแต่งลูกศรให้เกิดขึ้นการปรุงแต่งลูกศรเหล่านั้นยังละไม่ได้เพราะยังละการปรุงแต่งลูกศรไม่ได้จึงวิ่งพล่านไปในคติเนรกกำเนิดเดรชาล์เปตรวิสัยมนุษยโลกเทวโลกแล่นไปวิ่งพล่าน คือลนลานท่องเที่ยวไปจากคตินี้ไปสู่คติโ น, น้นจากการถือกำเนิดนี้ไปสู่การถือกาเนิดโ น, น้นจากปฏิสนธินี้ไปสู่ปฏิสนธิโ น, น้นจากภพนี้ไปสู่ภพโ น, น้นจากสงสารนี้ไปสู่สงสารโ น, น้นจากวัตตะนี้ไปสู่วัตตะโ น, น, น้นรวมความว่าสัตว์ถูกลูกศรใดปักติดแล้ววิ่งพรานไปทุกทิศทาง คำว่าเพราะถอนลูกศร น, นั้นได้แล้วจึงไม่ต้องวิ่งพลานไม่ต้องล่มจมอธิบายว่าเพราะถอนคือเพราะถอดชักดึงฉุดกระชากและบรรเทาทําทให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งลูกศรคือราคะลูกศรคือโทสะลูกศรคือโมหะลูกศรคือมานะลูกศรคือทิฏฐิลูกศรคือโสกะ ลูกศรคือความสงสัยได้แล้วจึงไม่ต้องวิ่งพลานไปทางทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้และการปรุงแต่งลูกศรให้เกิดขึ้นเหล่านั้นเพราะละการปรุงแต่งลูกศรให้เกิดขึ้นได้แล้วจึงไม่ต้องวิ่งพลานไปในคตินรกกรำเนิดเดรชานเปตะวิสัยมนุษยโลกสเทวโลกไม่ต้องแล่นไปวิ่งพลานคือล่นลาน ท่องเที่ยวไปจากคตินี้ไปสู่คติโ น, น้นจากการถือกำเนิดนี้ไปสู่การถือกำเนิดโ น, น้นจากปฏิสนธินี้ไปสู่ปฏิสนธิโน้นจากพบนี้ไปสู่พบโ น, น้นจากสงสารนี้ไปสู่สงสารโ น, น้นจากวัตตนี้ไปสู่วัตตโ น, น้นรวมความว่าเพราะถอนลูกศร น, นั้นได้แล้วจึงไม่ต้องวิ่งพล่านคำว่าไม่ต้องล่มจมได้แก่ ไม่ต้องล่มจมในโอคะคือกลามไม่ต้องล่มจมในโอคะคือพบไม่ต้องล่มจมในโอคะคือทิฏฐิไม่ต้องล่มจมในโอคะคืออวิชชาคือไม่ต้องจมไม่ต้องจมลงไม่ต้องล่มจมลงไม่ไปไม่ตกไปรวมความว่าเพราะถอนลูกศรนั้นได้แล้วจึงไม่ต้องวิ่งพลานไม่ต้องล่มจมโดยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า จะถูกลูกศรใดปักติดแล้ววิ่งพลานไปทุกทิศทางเพราะถอนลูกศร น, นั้นได้แล้วจึงไม่ต้องวิ่งพลานไม่ต้องล่มจม